ขอน้บน้อมต่อคุณปรัตนไท์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอขบโอกาสจากหลวงพ่กมพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์บนณชัยและก็เพื่อนสธรนบิุรท่านนะจะเดินในธรรมแม่ชีและก็นับปฏิบัติธรรมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันขึ้น14ค่ค่ำนะเดิน10นะถือว่าเป็นวัน หรือบางทีเราก็เรียกว่าเป็นวันโกนนะในวันโกนของวัดป่าสุกโตของเราก็เป็นถือว่าเป็นวันวันทำงานเนาะนะบางทีเราก็เรียกว่าเป็นวันกรรมกรนะวันนี้ก็อยากจะลองพูดเรื่องเรื่องการทํางานนะกับการปฏิบัติธรรมนะหรือว่าการการเราที่เราฝึกฝึกสติ เนือฝึกธรรมะกับการทํางานที่จริงการพูดเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าการจะปฏิเสธการปฏิบัติธรรมในรูปแบบนะการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็เป็นสิ่งที่ที่สมควรทําำในะ แ, ตแต่ละวันนะควรที่ต้องจัดสรรเวลาในการ <c oughs> เดินางกรมหรือยกมือสร้างจังหวะหรือนั่งสมาธิอะไรก็ได้แต่ก็ เป็นสิ่งที่ควรควรอย่างมากในการที่จะต้องทำในแต่ละวันนะแต่การทำการทางานหรือการเคลื่อนไหวหรือการฝึกนอกรูปแบบก็เป็นสิ่งที่ที่ควรที่เราจะต้องได้รับการฝึกหัดด้วยนะหรือว่าได้กระทำด้วย ต, ต้องทำทั้งสองส่วนควบคู่กันไปนะบางทีอาจจะเปรียบเหมือนคล้ายๆว่าการ การที่เราปฏิบัติในรูปแบบนะมันเหมือนกับคล้ายๆการซ้อมนะพอเราออกนอกรูปแบบพอเราทําการทํางานเนี่ยเปรียบเสมือนกับการสอบนะตอนเราเราซ้อมเช่นนักกีฬานะพอซ้อมกีฬาซ้อมในการอยู่ในโรงยิมอยู่ในผู้ซ้อมนะก็อซ้อมจนมีความชํานาญมีความมั่นใจนะออกไปแข่ง บางทีก็แพ้บางทีก็ชนะนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็คาดไม่ไดนะ้แต่ก็ต้องทำหน้าที่ทำการซ้อมแล้วก็การแข่งนะเหมือนนักเรียนก็เหมือนกันบางทีเราเรียนหนังสือแล้วอ่านตําราเราฟังครูสอนแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเก่งถ้าเราไม่ได้ออกไปเจอข้อสอบนะบางทีเราอาจจะเก่งอยู่ในห้องของเราแต่พอไปเจอนักเรียนจากในเมือง หรือว่าในกรุงเทพหรือว่าเจอแข่งขันทั่วโลกแบบนี้เราก็จะรู้ได้ไงว่าเราเก่งจริงนะใช่ไหมบางทีก็เราเรียนอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้สอบด้วยก็ก็ไม่รู้ว่าเรามีความสามารถขนาดไหนนะเปรียบเสมือนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราถ้าเราซ้อมอยู่กับในรูปแบบบางทีก็เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น หรือบางทีมันก็สงบมันก็นิ่งเกินไปไม่ได้เห็นกิเลสบางอย่างที่มันไม่ได้โผล่มาจากการกระทบสัมผัสเราก็ไม่รู้ว่ า, วาความก้าวหน้าของเรามันมากมันน้อยขนาดไหนกนะารการทำงานหรือว่าการเจอสิ่งที่กระทบนะก็เหมือนกับการทดสอบนะทดสอบดูว่าความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเรามีมากน้อยขนาดไหน อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวช่วยนะอื่ที่จริงนะการทำการทำงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็สามารถนะฝึกหัดปฏิบัติอยู่ในนะชีวิตประจำวันตัวนี้ก็ได้นะ อ, อาาพุทธทาสก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าการทำงานเนาะคือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นการได้ธรรมะนะครบคู่กันไปด้วย แต่ถ้าบางคนทําการงานไม่เป็นนะก็ก็ได้แต่ความพุ้งซ่านหรือได้แต่ความเมื่อยล้าหรือว่าได้ความเรียกว่าทุกทรมานนะก็ได้นะมันจะไม่อยู่ที่ว่าเราทําอะไรนะแต่อาจจะอยู่ที่ว่าการวางใจในการทําของเราเป็นแบบไหนนะอาจจะเริ่มต้นในการที่มีเรียกว่ามีทัศนคติก็ได้นะอืม ถ้าศัศนกติของเราผิดนะการทำงานก็อาจจะผิดก็ได้มันมีตัวอย่างนะมีคนไปถามแม่ครัวนะที่วัดแห่งหนึ่งนะมีคนไปถามแม่ครัวที่วัดแห่งหนึ่งนะก็เขาก็ไปถามว่ากำลังทำอะไรอยู่นะแม่ครัวคนที่หนึ่งก็บอกว่าก็เนี้ยก็กำลังผัดผักอยู่ไม่เห็นหรออนะร้อนก็ร้อน เหนื่อยก็เหนื่อยนะไปเดี๋ยวมาถามมากนะแม่ครัวคนที่1ก็ตอบไปอย่างนั้นเขาก็เดินไปหาแม่ครัวคนที่2นะ 2> กำลังทําอะไรอยู่นะแม่ครัวคนที่2ก็บอกว่ากําลังทําอาหารอยู่นะเนี่ยอยู่วัดนะจะอยู่เป่าเปล่าได้ไงก็ใช้นี่สงนะทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อยนะกำลังทําอาหารถวายพระถวายคนในวัดอยู่นะก็ เขาทำด้วยความรู้สึกอืเป็นหน้าที่นะเป็นสิ่งที่ที่ต้องทําล้วก็อืมเขาก็เดินไปหาแม่ครัวคนที่สามนะกําลังทําอะไรอยู่นะแม่ครัวคนที่สามก็บอกว่าก็กําลังว่าทําอาหารถวายพระถวายนักปฏิบัติทำอยู่นะขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอ่านะ เป็นเหตุให้เขาได้มรดุทำนะขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเรียกว่าต่ออายุพระพุทธศาสนานอขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์นะให้กับโลกใบนี้นะเขาก็คิดเช่นนี้นะก็เราลองคิดดูสมทุิท่าอันนี้เราอาจจะไม่เห็นภาพเนาะแต่ภาพในการคนที่ถามนะทั้งแม่ครัวทั้งสามคนเนี่ยถามแม่ครัวคนแรกนะ ก็ตอไปได้อารมณ์ที่ที่หงุดหงิดหรือว่าไม่พอใจนะเห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่มันเหนื่อยมันหนักนอะมันทุกขนะ์เนี่ยต้องอยู่กับไฟต้องอยู่กับอาการงานที่จุกจิกนะหรือว่าพวกนี้มันก็เหนื่อยมันก็ร้อนนะทะตอไปก็ทุกไปนะตอไปก็เหนื่อยไปส่วนคนที่สองนี้ก็อาจจะหน้าตาก็ เฉยๆนะเป็นปกตินะแต่ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำเหมือนกับคล้ายๆทำเพื่อใช้นี่นะมาอยู่วัดก็ทำงานทำการใช้นี่นะมีความรู้สึกเหมือนเราต้องใช้นี่นะใช้นะใช้อาจจะใช้การทำงานในเป็นการใช้นี่จะได้ไม่เป็นนี่สงเนาะบางทีสมัยนี้มักมีบอกว่าใช้นี่สงนะอาจจะใช้นี่จากอาหาร อาจจะใช้หนี้จากที่อยู่อาศัยอาจจะใช้หนี้จากการที่เรามาใช้สิ่งของภายในวัดนะก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่สักอย่างหนึ่งเป็นการใช้หนี้สงนะก็ดีเหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้กําไรอะไรเหนะมือนเป็นการต้องใช้หนี้นะเสียดอกเบี้ยไปเรื่อยนะแต่คนที่สามเนี่ยนะเขตอบด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ย มันเกื้อกูลต่อการบรรลุธรรมของหลายๆท่านมันเกื้อกูลต่อการที่ทําให้ออายุของพุทธศาสนานี้ยืนยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะเห็นไหมถ้าเรามีทัศนคติในการทํางานนะที่ถูกต้องเนี่ยบางทีจิตใจของเราเนี่ยก็มีความเบิกบานเช่มชื่นแตกต่างกันนะเอนะถ้าเรามีทัศนคติเพียงแค่ <c oughs> เรียกว่าทําไปแล้วก็เห็นแต่ความทุกข์ความเหนื่อยนะมันก็ทุกข์มันก็เหนื่อยจริงๆนะะใครทําการทํางานจะไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยนะแต่นั้นเป็นเรื่องความทุกข์ความเหนื่อยของกายนะอแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหนื่อยแต่กายนะไม่ใช่ทุกข์แต่กายแต่เราก็เพิ่มความทุกข์ให้กับจิตใจไปด้วยนะทําไปก็ทุกไปทั้งกายทั้งใจอยู่นะ ก็อาจจะได้ประโยชน์อยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้มากนะักส่วนคนถ้าทำไปแล้วก็คิดไปแต่ว่าเราเป็นหนี้นะเราเป็นหนี้เราใช้หนี้มันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะมันรู้สึกว่าแต่ว่ามันทำแบบเพราะความจํายอมทำเพราะความเรียกว่าไม่มีทางเลือกนะแต่ถ้าเราสามารถมองให้มันเป็นประโยชน์กว่านั้นเราทำแล้วเรามุ่งที่ประโยชน์ ต่อต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะทำไปแล้วก็มีความสุขนะแม้การงานบางอย่างอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยนะแต่มันก็มีประโยชน์จริงๆนะเป็นการเกื้อกูลถ้าไม่มีคนทาอาหารไม่มีอาหารเนี่ยก็ยากนะที่จะนะพระสงฆ์องค์เจ้าหรือนักปฏิบัติธรรมจะได้ทำความเพียรได้อย่างไม่กังวลใจนะถ้า อยู่ด้วยความหิวอยู่ด้วยความอดอยากๆนะมันก็ยากที่จะทำความเพียรได้ฉันั้นสิ่งที่ทำนี้มันก็เกื้อกูลจริงๆนะะมก็เกื้อกูลจริงๆแต่ที่จริงในความคิดของกระผมหรืออาตมาคิดว่าที่จริงมันอาจจะมีมีการทัศนกติหรือมีวิธีปฏิบัติที่มันสามารถทำได้มากกว่านั้นนะอ่านะ ถ้าสมมติถ้าเราเป็นแม่ครัวคนที่สนีะ่หรือเป็นคนทาอาหารคนที่สนะี่เนี่ยบางทีในภาคปฏิบัติจริงๆนะในภาคปฏิบัติจริงๆเนะี่ยเราจะทำงานคล้ายๆเหมือนแม่ครัวคนแรกคือเราจะมีสติกับสิ่งที่ทำเฉพาะหน้านะเช่นเราหั่นผักเราก็มีสติรู้ตัวกับการหั่นผักเช่นรู้มือที่จับมีดรู้มือที่เคลื่อน นะขณะที่หัน่ขนขณะที่เราล้างจานก็ดีเราก็มีสติอยู่กับการเคลื่อนของมือนะอยู่กับการสัมผัสของน้ําหรือของจานก็ดีแล้ก็มีสติรู้ตัวกับการเคลื่อนของกายตรงนั้นถึืบางทีก็มีสติอยู่กับการมีความรู้ทันความรู้สึกเช่นสมมติเราอยู่ในหน้าเตาไฟมันร้อน เ, ออเรารู้สึกมีความทุกข์มีความไม่ชอบใจเราก็สามารถรู้ทัน รู้ทันความรู้สึกตรงนั้นได้นะเราทํางานแล้วเราเหนื่อยเราด่าเราเมื่อยหรือเบื่ออ้าวก็รู้ทันรู้ทันว่ากายมันเหนื่อยมันล้ารู้ทันว่าใจมันเบื่ออันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันตรงนั้นเราอาศัยเออมีสติอยู่กับสิ่งที่ทําในตรงนั้นมันก็ได้เหมือนกันนะคือเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะคล้ายๆทำเหมือนกับคนที่หนึ่งแต่ไม่ใช่วางใจแบบไปทุกนะ แต่วางใจเหมือนกับคล้ายเป็นการการทดสอบเป็นการดูสิว่าในขณะปัจจุบันนั้นมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจหรือว่ากายมีการเคลื่อนไหวอย่างไรนะหลายหลายคนนะก็อาศัยการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจาวันนี่แหละนะเป็นการฝึกได้อย่างเช่นอย่างมีตัวอย่างที่หลายคนอาจจะรู้จักนะอย่างเช่นท่านวิลาสนะท่านเป็น สังฆะปณิสนายกองค์ที่6ของนิกายเซนนะแห่งประเทศจีนตอนที่ท่านเป็นฆราวาสท่านไปอยู่ที่วัดนะขององค์สังฆะปณิสนายกองค์ที่ห้าน ะ, อ, ะองค์ที่ห้าท่านก็บอกให้ไปนไปอยู่ที่โรงครัวนะไปทําอะไรนะไปผ่าฟืนไปตําข้าวนะไปทำอาหารนู่นนะก็ต้องอาศัยการมีสติกับการทํางานตอนนั้นแหละ ผ่าฟืนเราสามารถผ่าอย่างมีสติได้ไหมมันจําเป็นอย่างมากนะอะฟืนมันตั้งอยู่เอาขวานมาผ่าเนะถ้าขาดสติก็จะผ่าถูกนิ้วตัวเองก็ได้ใช่ไหมเราตําข้าวก็เหมือนกันนะมันก็ต้องรู้จังหวะทําจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะนะก็สามารถมีสติ ก, กับการทํางานนะในการตําข้าวก็ได้หรือในการเรียกว่าฝัดข้าวเนาะ ใส่คนถ้าเคยฝัดข้าวก็จะรู้นะมันมันต้องอาศัยสมาธิสติมากนะเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติเนี่ยก็อาจจะทําให้ข้าวมันมันหกนะข้าวมันกระจายไปได้ก็ต้องอาศัยเนะี่ยมีสติในการทํางานนั้นการงานหลายอย่างนะที่ไม่ต้องอ่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเนี่ยเราใส่สติในการรู้การเคลื่อนไหวมีสมาธินะ่ะ ตั้งใจในการทํางานนี่ก็ได้นะอย่างเช่นการกวาดร้านวัดมันนะกวาดถนนมันนะเราก็สามารถมีสติได้อย่างง่ายๆนะรู้สึกถึงการเดินรู้สึกถึงการแกว่งของมือในการจับไม่กวาดในการกวาดไปนะรู้สึกเนี่ยเดินไปก็รู้สึกนะกวาดไปก็รู้สึกนะหรือบางทีจิตใจมันเผลอแป๊บไปนะไม่อยู่กับการกวาดเราก็รู้ทันนะ หรือจิตใจมันเรียกว่าฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นนะเราก็รู้ทันอันเนี้ยเราก็สามารถมีสติทั้งจากการกวาดคือการเคลื่อนไหวของกายรวมทั้งมีการรู้เท่าทันว่าใจตอนนี้มันเผลอไปไหมหรือว่ามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจไหมเนี่ยมันก็สามารถรู้สึกได้ถ้าการงานหลายอย่างที่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนะเราก็อาจจะใช้ เน้นการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะแล้วก็คอยคอยรู้ตัวแทรกในขณะที่ที่มีอารมณ์หรือความคิดเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้ก็สามารถทําได้นะแต่ถ้าบางคนทํางานทางโลกนะต้องเกี่ยวข้องกับคนต้องคิดมากนะก็อาจจะเน้นในการมีสติเกี่กับการรู้ทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกภายในเป็นหลักก็ได้เพราะว่าบางที การเคลื่อนไหวทางโลกมันบางทีมันจังหวะจะจังหวะเจะโคนมันมันไม่เป็นจังหวะเท่าไหร่เนาะมันเคลื่อนไหวรวดเร็วมันเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดการฟังเนี่ยมันต้องใช้มันสมองใช้พลังงานเยอะก็แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ได้ได้ชัดๆนะบางทีถ้าเราสังเกตเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันจะแรงอารมณ์มันจะเร็วอารมณ์กระทบมันเยอะนะ เราก็สามารถเห็นอารมณ์ที่มันกระทบนะเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากการที่อารมณ์กระทบไปแล้วนะเช่นเราได้ฟังคนอื่นก็สนทนานะเราได้ฟังแล้วเราอินไปกับสิ่งที่ฟังไหมเราพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่ฟังไหมอันเนี่ยมันสามารถรู้ถันได้นะอ้นพวกนี้จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในในขณะที่ทํางานจริงๆนะนะเราก็สามารถมีสติตรงนี้ได้นะอันนั้น การมีสติในการทางานก็คือการที่เรียกว่าจิตอยู่กับปัจจุบันนะจิตรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะเห็นกายเขาทำงานนะรู้ทันใจที่เขามีอารมณ์เกิดขึ้นในจิตใจนะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความเฉยความคิดหรือความเป็นปกตินะ้วก็สามารถรู้ทันตรว น, นั้นได้อีกอย่างหนึง่งถ้าเรา อาศัยทํางานนะที่จริงก็เหมือนกับการใช้หนี้จริงๆแล้วหละนะเพราะถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอทหารเนี่ยเราก็ยังเป็นหนี้นะเป็นหนี้เข้าปลาอาหารที่ญาติโยมเขาไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรหรือว่าทําอาหารถวายเราก็ดีเป็นหนี้ญาติโยมที่เขาถวายจีบอล น, นะเป็นหนี้ญาติโยมที่เขาสร้างกุฏิให้ที่พักที่อาศัยนะเป็นหนี้ญาติโยมที่เขาถวาย ยารักษาโลคเป็นหนี้ญาติโยมที่เขาเรียกว่าสร้างวัดสร้างวานะนะเป็นเป็นหนี้อยู่นะหรือบางคนก็ยังเป็นหนี้พ่อแม่อยู่เนาะนะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเราก็ยังตอบแทนบุญคุณท่านด้ยการเลี้ยงดนะูก็อาจจะยังไม่เป็นการหมดหนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราถือว่าเราทํางานส่วนหนึ่งก็เป็นการตอบแทนวัดตอบแทน บุญคุณของคนที่มีพระคุณก่อนแต่ถ้าเราถือว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมในขณะที่ทำงานด้วยเนี่ยมันจะเป็นการใช้หนี้นะอย่างอย่างพระสงฆ์เราถ้าสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการอยู่แบบไม่เป็นหนี้แล้วนะก็คืออยู่อย่างเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นเป็นลูกหนี้นะเพราะว่าอะไรเราเป็นผู้ที่สมควรกับการกราบเป็นผู้ที่สมควรกับการเรียกว่า ที่ญาติโยมเข้ามาบูชาแล้วนะถ้ายังเป็นเพียงแค่สมมติสิสง์นะมันก็เป็นเพียงแค่นะสมมุตินะที่เราได้มาบวชเป็นพระเป็นแม่ชีนะมันก็ยังถือว่าเป็นการยังเป็นหนี้ชาวบ้านอยู่แต่แน่นอนแหะถ้าเราไปคิดแต่ว่าเราเป็นหนี้นะเรามีความทุกข์ที่ต้องแบบเป็นหนี้ผินของเขาบางทีคิดแบบนั้นมากไปก็ทุกข์นะเพราะว่าอะไร คิดว่าแต่ละวันเนี่ยเราได้ทําได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการใช้หนี้พอได้ยังนะบางคนก็คิดไปว่ามีแต่เราตื่นขึ้นมาก็กินกินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็นอนนี่ยนะมันก็แค่นั้นเหรอนะเป็นแบบนี้ก็ไม่ต่างจากตัดนะก็เป็นหนี้เขาวันยังค่ําคิดแบบนี้บางทีก็ไม่สบายใจนะคิดไม่สบายใจแต่ถ้าเราจะคิดว่าเราจะใช้หนี้แบบไหนเออ บทีกาอาศัยการงานนะเป็นการใช้หนี้อาศัยการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นการใช้หนี้นะนะถ้าเราสามารถฝึกหัดจิตใจของเราได้ทุกขณะนี่ถือว่าเราได้ใช้หนี้แล้วนะเราสามารถรู้ทันกายรู้ทันใจนะของตัวเองถือนการฝึกหัดนะอยู่เสมอเนี่ยถือว่าเป็นการใช้เนื้อนะเรามีความเพียรเพียรที่จะละอกุศล เพียงที่จะสร้างกุศลนะเพียงที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการใช้นี่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานในรูปแบบหรือนอกรูปแบบเนี่ยก็ถือว่าเราค่อยๆได้ใช้นี่แล้วหรือแม้แต่นี่จากพ่อจากแม่จากผู้มีพระคุณต่อเราก็เหมือนกันนะถ้าเราสามารถโอ้พัฒนาจิตใจของเราให้เข้าถึงความเป็นอริยะหรือหลุดพ้นได้เนี่ โอ้พ่อแม่ที่ให้กําเนิดเรานี่เขาก็ได้เขาก็ถือว่าโอ้เขาก็มีบุญคุณแล้วก็เขาก็ได้บุญตอนนั้นได้เยอะเลยนะนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เลยนะท่านบอกว่าพ่อแม่ในในชาติสุดท้ายนะอนะ่คือเป็นพ่อแม่ที่ได้ว่ามีพระคุณเป็นอย่างมากนะเพราะว่าแต่เป็นชาติที่ทําให้ท่านได้บรรลุธรรมนะเป็นชาติที่ท่านหลุดพ้นแล้วแต่พ่อแม่ในอดีตชาตินี้ก็ ก็มีพระคุณเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีพระคุณน้อยกว่าในชาติที่ทำให้ท่านได้พ้นทุกข์นะเราจะใช้หนี้ได้นะ่ะบางทีถ้าเราประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเนี่ยอืมก็ถือว่าพ่อแม่ให้กำเนิดเรามานี่คุ้มค่าเป็นอย่างมากเลยอืมคุ้มค่าเป็นอย่างมากถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเราก็อาจไม่ได้เข้าถึงธรรมะก็ได้ก็ขอบคุณท่านนะนะ่ะ ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากเราได้ใช้นี่หมดแล้วหรือที่จริงถ้าเราจะใช้นี่มากกว่า น, นั้นก็คือถ้าเราเอาธรรมะที่เรามีธรรมะที่เรารู้ที่เราเข้าใจเนี่ยไปช่วยให้ท่านนะมีธรรมะด้วยเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นการใช้นี่เป็นอย่างมากเหมือนกับพระแม่ชีหรือนักปฏิบัติธรรมแม้เรามาอยู่วัดนะเหมือนเป็นการที่เราเป็นนี่ปจัจจัยสี่หรือปัจจัยอื่นๆจากคารวาส แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะนะได้ดีสามารถมีที่พึ่งในจิตใจของเราได้สามารถที่จะแนะนําสั่งสอนกระวาดญาติโยมได้เนี่ยก็ถือว่าเรากลับไปใช้นี่ในการให้ธรรมะนะให้ให้ชาวบ้านได้รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะอะไรคือทุกข์อะไรคือสิ่งที่ไม่ทุกข์นะเรากลับไปสอนอนั้นก็เหมือนเป็นการใช้นี่อีกแบบหนึ่งนะ่นะ บางทีการใช้นี่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาให้ข้าวแล้วก็ให้ข้าวเขากับนะแต่จริงนะการให้ธรรมะเนี่ยก็คือเป็นการเรียกว่าให้ให้ทานอย่างหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นจริงพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าการให้ธรรมะเนี่ยถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่กว่าทานทั้งปวงได้ทำไปนะถ้าเราปฏิบัติตนจนมีธรรมะเราเอาธรรมะไปบอกสอนญาติโยมต่อเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะ ถือคิดแบบนี้ก็ได้นะคิดเป็นการใช้นี้แต่ก็ต้องเราฝึกตนนะให้เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมแล้วก็กลับไปบอกสอนญาติโ ย, ยมต่อนี่ก็จะคิดเช่นนั้นก็ได้นะหรือจริงถ้าเราคิดในแง่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเกื้อกูลคนอื่นให้เข้าถึงธรรมเนาะคิดแบบนั้นเราก็มีความสุขเนาะนะเห็นพระท่านดนะับบิณฑบาตจากอาหารของเรา เพื่อไปอะไรท่านก็คงไปทำความเพียร น, นะท่านก็คงไม่ไปแอบหลับแอบนอนไม่ไปใช้พลังงานในทางที่เกิดทุกข์เกิดโทษเนาะท่านก็เอาพลังงานเนี่ยไปเดินจงกลมไปยกมือสร้างจังหวะหรือว่าไปทำงานอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็มีสติขณะที่ทำไปด้วยนะเราคิดแบบนี้นะเราก็มีความสุขนะ อแต่ถ้าท่านไม่ทําำนั้นก็ไม่เป็นไรนะเราก็ยังมีความสุขได้นะออคนหลายคนมันก็แตกต่างกันนะอนนะก็อย่าไปคิดแต่ในแง่ลบนะคิดถึงในแง่ที่เป็นประโยชน์นะคิดถึงในแง่แล้วมันมีความสุขมีความเบิกบานใจนะอืแต่ธรรมชาติของคนมันก็มีความหลากหลายนะอย่าไปมองแต่ด้านที่มันไม่ดีนะแต่คนที่อาศัยข้าวปลาอาหารพลังงานของเราไปทําความดีเนี่ย ก็ยังมีเยอะๆนะก็ยังมีเยอะๆถ้าเรามองเช่นนี้นะเราก็จะมีความสุขมีความสุขนะเพราะจริงสติถ้ามาคอยกํากับตรงนี้นะมันจะทําให้เราไม่ทุกข์ด้วยนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะคิดแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่มีสติมากํากับเนี่ยบางทีก็จะคิดเอ้ยเขาไปทําความเพียนหรือเปล่าเขาทําไปเขาไปทำอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะเช่นสมมติเราให้สิ่งของกับ ใครไปทุกคนเนี่ยเช่นทุกมื่อเให้เงินขอทานทักคนเนี่ยทุมื่อถ้าเราไปคิดว่ามันจะไปกินเหล้าหนื อ, อไปกินข้าวน้อเนี่ยคิดแบบนี้มันมันไม่ค่อยสบายใจนะแต่ถ้ า, าคิดไปเออเราให้เขาไปเนี่ยก็ถือว่าให้ให้เขาไปดำรงชีวิตอยู่หรือให้ไปเพราะว่าให้เขาเรียกว่าจะเดินก้าวหน้าในชีวิตหรือว่าจิตใจนะเ อ, อเราไม่ได้ให้เขาไปในทางที่ให้เขาเสื่อม ไปสู่อบายเราวางใจเช่นนี้ก็พอละนะแต่เขาจะไปทํำใดต่อนี้ก็เป็นเรื่องของเขาละนะแต่ถ้าเราพอตรวจสอบหรือพออะไรได้เราก็ทํานะแต่ไม่ใช่ว่าไปหวาดระแวงไปไปคิดแล้วก็ทุกนะเราทําความดีกับใครก็เหมือนกันนะแล้วก็ทําไปแล้วก็วางใจไปด้วยนะถือว่าสิ่งที่เราทํานี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะพอแล้วแต่คนที่รับไปเขาจะเป็น ทำดีต่อทำสิ่งที่ถูกต่อหรือเปล่านะก็บางทีก็เป็นเรื่องที่เกินวิสัยที่เราจะไปกํากับควบคุมได้ถ้าระวังใจแบบนี้นะอ๋อเราก็จะมีความสุขขนาดที่ทำนะแล้วก็คอยอนุโมทนากับคนที่ทำแล้วก็ทำแล้วก็ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหรือแม้แต่เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกเราก็ไม่ได้เสื่อมศรัทธานะเราก็ไม่ได้จิตตกแต่เราก็ออบางทีก็เพราะความหลงเนาะ ทำให้คนทำเช่นนี้นะก็ไม่เป็นไรก็ท่านยังลงอยู่เนาะ ก, ก็พยายามเกื้อกูลคนใหม่นะให้กลับตัวกลับใจให้ไม่ลงนะถ้าวางใจแบบนี้นะก็มีความสุขนะถ้าเราทำการทางานแบบนี้นะนะมีสติกับสิ่งที่ทำเฉพาะหน้าก็ดีนะหรือว่ามองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะเป็นประโยชน์ต่อวัดต่อวาเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนที่เราอยู่เนะี่ย เราก็ทำแบบนี้เราก็จะมีมีความสุขมากขึ้นหรือถ้าเรามองเป็นประโยชน์ว่าเออมันเป็นประโยชน์ในการต่ออายุพุทธศาสนาหรือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คนเข้าถึงธรรมะได้เนะี่ยไม่ว่าจะทำอาหารไม่ว่าจะกวาดลานวัดไม่ว่าจะทำงานก่อสร้างภายในวัดนะหรือไม่ว่าจะสอนธรรมะภายในวะัดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่ในแต่ละหน้าที่ อย่างดีที่สุดนะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เกื้อกูลให้คนออกจากความทุกข์ให้คนเข้าถึงความจริงนเะนี่ยมันก็เกื้อกูลกันได้ในหลายๆปัจจัยนะไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรนะไม่ได้ว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่ก็ถ้าระวังใจถูกสิ่งที่ทํามันก็มันก็ดีทั้งนั้นน่ะแหละนะไม่ใช่มาแบ่งเกรดงานอะไรเกรด a b c ก็คงไม่ใช่นะแต่ถ้าเราทําได้มีสตินะแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการงานชอบแล้วนะหรือถ้าเรามองไปอีกในแง่ว่าการงานเนี่ยเป็นการที่เรียกว่าเป็นการได้ฝึกหัดเป็นการได้ทดสอบดูนะมีสติกับการทำงานมีสติกับการรู้ทันอารมณ์ความคิดเนี่ยถือเป็นการทดสอบดูนะวันนี้อาจจะสอบผ่านวันพรุ่งนี้อาจจะสอบตกอ่ะไม่เป็นไรนะก็เริ่มใหม่นะไปทำงานแล้วก็อาจจะ จิตฟุ้งซ่านไปบ้างอ่ะก็รู้ทันว่าจิตมันฟุ้งซ่านอันนี้ก็เรียกว่าก็ถูกแล้วน ะ, นะแต่บางคนถ้าทําการงานผิดเนี่ยก็อาจจะฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์นะทั้งตัวเองหรือไม่ได้ประโยชน์ทั้งต่อส่วนรวมหรือบางทีอาจจะเกิดทุกข์เกิดโทษต่อตอนเองแล้วก็ส่วนรวมได้น ะ, นะถ้าเราทํางานไม่เป็นเนี่ยมันจะบางทีก็จะพลอยให้คนอื่นเขาเสียประโยชน์ด้วยก็ได้ หรือบางทีเป็นการสร้างอากุศดนก็ได้นะบางทีการทํางานถ้าเราเน้นเพื่อการปฏิบัติทำไปด้วยเนี่ยการที่เราจะเกื้อกูลเพื่อนอย่างไรให้เขามีสตินี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เราควรที่จะทําบางทีคารวะเนาะเวลาเขาทํางานทําการเนี่ยเขาจะเน้นความสนุกสนานนะเขาจะเน้นความแบบเออะกระเออะนะ ค, คึกคักนะแต่ถ้าเราอยู่ในวัดก็ดีหรือถ้าเรา ทำงานเพื่อเน้นเพื่อเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทําด้วยความสงบนะอาจไม่ใช่ว่าไม่พูดไม่คุยนะก็พูดคุยได้แต่เราจะไม่เน้นการกระเช้าย่อแย่กันให้เกิดความคึกขนองนะหรือทําให้เกิดความรู้สึกเหมือนทางโลกนะมีการโบกเวรวายมีการกระตุ้นกันเช่นนั้นมันบางทีมันทําให้จิตใจมันตเตลิดเปิดเปลืงไปนะเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะพยายามมีสติอยู่กับการ การเคลื่อนไหวของเขามีสติกับการรู้ความรู้สึกภายในใจของเขาอยู่พอเจอเสียงดังๆมากระทบพอเจออารมณ์แรงๆมากระเทือนเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะสติไม่ตั้งมั่นนะก็อาจจะเผลอไปได้ง่ายๆนะถ้าเราจะเกือ้อกูลก็เนี่ยออก็เกือ้อกูลในการที่ไม่ไม่เออกเลิกกันนะแล้วก็พยายามรู้สึกตัวของเราเองแล้วก็พยายามไม่ทําให้เพื่อนเขาเขาเสียสติไปะ หรือบางคน ível, อาจจะเพื่อนเขาอาจจะเผลอไปอะเราก็ถ้าเราพอเตือนได้เราก็เตือนถ้าเราเตือนไม่ได้เราก็เราก็หยุดที่ตัวเราก็ได้นะบางทีเราคุยกันไปแบบนี้บางทีเขาคุยไปนู่นเรื่องโลกเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ล, ละตเดิรต่อไปจากวัดละเราก็เอเราก็หยุดของเรานะถ้าเราไม่ตอบความยาวไม่สาวความยืดเขาก็จะหยุดแค่ตรงนั้นะแต่ถ้าเราไปตอบความยาวสาวความยืดด้วยมันก็ตเดิร์กันไปทั้งเราทั้งเขาแบบนี้ะ ก็ขาดสติกันทั้งคู่และบังทีการทำงานนะก็เป็นการทดสอบดูก็ได้ว่าเราจะมีสติกับการงานไม่ถ้าเราทำเป็นเนี่ยเราก็เกื้อกูลคนรอบข้างในขณะที่ทำงานด้วยก็ได้นะถือว่าเป็นการฝึกทดสอบนะสติสมาธิปัญญาในขณะที่ทางานด้วยถือว่าเป็นการได้บุญได้กุศลนะจากการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมทำประโยชน์ให้กับปัตให้กับวา ด, ด้วย ถือว่าเป็นการทำหน้าที่นะเป็นการใช้หนี้นะใช้หนี้ที่เราได้เกิดมาใช้หนี้ที่เราได้มาอยู่วัดอยู่ว่าปฏิบัติธรรมนะถือว่าเป็นการเรียกว่าฝึกตนไปด้วยนะที่จริงทำการงานเนี่ยมันได้ประโยชน์นะครบทุกอย่างนะถ้าเราวางใจเป็นนะถ้าเราวางใจเป็นแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ย ก, ก็ทำแล้วก็ทุกทำแล้วก็เหนื่อยทาแล้วก็ อาจจะเกิดอกุศลมากกว่ า, ากุศลก็ได้นะบางทีมันจะไม่ใช่ขึ้นอยู่ว่าเราทํางานอะไรแต่อาจจะอยู่ที่ว่าตาวางใจแบบไหนในขณะที่ทํางานที่จริงก็ไม่ต่างจากการปฏิบัติในรูปแบบก็เหมือนกันถ้าเราวางใจไม่เป็นเนะี่ยมันก็อ่าก็ไม่เกิดประโยชน์นะหรืออาจจะเกิดก็เกิดน้อยแต่ถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากนะในการที่เราได้เห็น เห็นกายเห็นใจนะอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่ก็วันนี้นะักก็เป็นวันที่เราจะได้ทางานร่วมกันนะเป็นวันแห่งความสามคัคคีนะมันไม่ใช่เป็นการคุกคีนะคุกคีเนี่ยบางทีเป็นคุกคีในเรื่องเรื่องทางโลกนะสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปแต่เราอาศัยการงานเป็นความสามคัคคีนะทำงานนี้ก็ดีนะเห็นรู้จักเพื่อนอ เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะบางคนก็สู้งานบางคนก็ไม่ค่อยสู้งานบางคนก็มีน้ำใจนะหรือบางคนก็แอบเบมื่อเพื่อนเผลอก็จะดบไปแบนี้นะหรือบางคนก็ชอบเป็นผู้นำบางคนก็ชอบเป็นผู้ตามนะบางคนชอบออกความคิดบางคนชอบออกแรงนะมันก็มีเห็นเห็นอะไรต่างๆจากเพื่อนนะแต่ถ้าเราจะดีก็เราก็กลับมาย้อนเห็นตัวเองด้วยนะ บางทีก็เห็นความขี้เกียจนะในใจของเราเองนะบางทีก็เห็นความหงุดหงิดกับคนอื่นนะใ น, ในใจของเราเองนะบางทีก็เห็นว่าเออเราเนี่ยเป็นคนแบบเจ้าทิฏฐิเจ้ามานะเหมือนกันเนาะใครจะมาสั่งกูไม่ได้เลยนะเออกูเคยเป็นหัวหน้ากูเคยเป็นผู้นำมาโดนสั่งเนี่ยไม่ยอมนะมีตัวตนขึ้นมาเออก็เห็นวันนี้ก็มีก็ดีเหมือนกันนะนะทำงานไปด้วยเนี่ยละตัวตนไปด้วย ทำงานไปด้วยนี่ละมานะอัตตาไปด้วยนะทำงานไปด้วยถือว่าเป็นการละความเห็นแก่ตัวไปด้วยเนี่ยได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ทั้งทางโลกได้ประโยชน์ทั้งทางธรรมเนาะก็คิดว่าพวกเราทุกท่านนะก็อาศัยการงานนะเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็อาศัยการฝึกสติในรูปแบบเป็นการที่เราได้ซ้อมได้เรียนรู้นะแล้วก็ได้ กระทำควบคู่กันไปทั้งการทําการทํางานแล้วก็การปฏิบัติในรูปแบบถ้าเราทำธรรมะทำเช่นนี้ควบคู่กันไปได้ก็ถือว่าเราสามารถทําทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ท่านแล้วก็ประโยชน์ส่วนรวมทั้งสองฝ่ายด้วยก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเรียกว่าเข้าใจธรรมะแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้เราได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการต่ออายุพระพุทธศาสนานะ เพื่อเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต่อไปก็ขอจะเดินพรทุกท่านนะ